الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والعذاب إلا على الظالمين ص ل م و ه س ل م على ا ل ش ر ا ف الأولين و ا ل ا خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ ن ت ب ع ه م بإحسان ا ل ى م د ي ن ثم ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سبعة ت ل ا ا كاب ليه في ا ت ب ي ة 16. ا ت ق ب ن ا ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในสุรตะเทวบานีเป็นการเริ่มต้นปรับเทสนักติเดิมๆเมทสนักติที่ที่มันเคยมีในสังคมอาหรับสังคมอาหรับก่อนที่จะมีอิสลามซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราต้องศึกษาละสำรวจในอัลกุรอานไม่ใช่เรื่องคําสั่งสอน ว่าดยเรื่องอาการกระทาต่างๆอันเป็นข้อใช้หรือการกระทาต่างๆอันเป็นข้อห้ามแต่สิ่งที่น่าสำรวจแล้วก็คนจำนวนมากคนจำนวนเยอะนะครับในสังคมมุสลิมที่ยังไม่เข้าใจว่ากุรานเนี่ยกำลังเจาะลึกไปถึง ความเข้าใจการเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความเข้าใจเช่นคนเสพยาคนกินเหล้าอย่างเงี้ยจุดจุดเริ่มต้นในการเลิกกินเหล้าก็คือไม่กินเหล้าอ่ะไม่การเลิกกินเหล้าเนี่ยมันไปเหตุแล้ว เพราะถ้าหากว่าไม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความเข้าใจว่าเล่านั้นน่ะมันไม่ดีเล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่อโลโกรธกริ้วเล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตเล่านั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทําลายสังคมทําลายความเป็นมนุษย์ถ้าเขายังไม่ตระหนักในเรื่องนี้เพียงเข้าใจว่ามันแค่เป็นข้อห้ามอย่างเดียวการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ใ, เอให้เลิกกินเหล้าเนี่ยมันค่อนข้างยากก็อย่างที่เราได้เห็นกันในสังคม ตอนนี้ในสังคมในสังคมที่ถือว่าเข้าใจศาสนามากที่สุดอันนี้ครับสมุดอาหรับเข้าใจศาสนาเข้าใจอากิีดักอย่างดีเลยการเผยแพร่วัฒนธรรมของสังคมมนุษย์ที่กินเหลา้านิยมกินเหล้าเนี่กำลังปรากฏในแผ่นดินฮารอมอ น, นี่ครับสมุดอาหรับซึ่ง เริ่มต้นการห้ามแล้วก็ต่อต้านสิ่งมึนเมาเนี่ยก็เริ่มที่การเทศนาของท่านนาบีสุลต่านละอุสัลลัมดังนั้นที่ท่าน <c oughs> ที่ท่านนาบีได้เผยแพร่สิบสามปีที่มักกะนั้นเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติแต่สิบสามปีเนี่ยที่ท่านนาบีอยู่ที่มักกะนี่ได้ปรับทิศทางของของผู้คนเนี่ย ให้มีความพร้อมในการรับบัญชาจากอัลลอ์สุภาโนดาละเพียงผู้เดียวจะไม่มีใครที่จะกำหนดทิศทางชีวิตนอกจากอัลลอ์แต่ว่าอยู่อยู่ไปอยู่มานี่คอหลังจากนบีอพยยบบทำงานที่มักกาสิบสามปีแล้วนะไปมาดีนะอยู่อีกสิบปีอัสุลอัตเตบานีในในปีที่เก้าปีที่สิบหลังสงครามตะบุก ส่งคำสงคำตะบูกนี่ก็บีวีที่เก้าเข้าบีที่สิบก็หมายถึงว่าเกือบจะครบแล้วว่ายี่สิบสามปีนะบ้านเบีหลังจากนี้ปีถัดไปนี่ในบีก็ทำฮักหลังจากทำฮักก็เสียชีวิตยี่สิบสามปียี่สิบกว่าปีเนี่ยแสดงว่ามันยังมีอะไรที่มันยังไม่ครบถ้วนที่ยังหลงหลงอยู่เนี่ยยัง ยังเหลือหลงเหลืออยู่นี่คือเรื่องความเข้าใจและที่อันตรายที่สุดเนี่ยความเข้าใจอันเกิดจากความสับสนคือเรื่องที่มันชัดนะเรื่องที่มันชัดเดางเช่นศิน่าอย่าทำเล้าอย่ากินการพนันอย่เล่นอันนี้นี่ผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านง่ายด้วยทำไมอะ่ะชัดแต่อีที่ไม่ชัดเนี่ย เช่นเป็นมุสลิมทั้งทีอัครีได้ถูกต้องทั้งทีเชื่อฟังระซูลทั้งทีแต่ยังมีความสนิทสนุมกับคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์ละซูลอันเนี้ยน่าสับสนไหมล่ะก็ทําทุกอย่างแนละ้วไงแต่เหลือเด็เรื่องเดียวก็ยังมีเพื่อนกับคนที่ต่อต้านอัลลอซูลมันมันที่จริงมันเรื่องสับสนมากนะ ทำไมเรื่องอะไรจะมีจะมีเพื่อนคนนี้ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซูลมามาเป็นคนมิชชิดคนสนิทสนมไม่ได้เหรอในสังคมที่ไม่มีสวนรวมที่เป็นศาสนาเป็นพระเจ้าเป็นหลักคาสั่งสอนที่ชัดเจนมันทำได้ทั้งนั้นนะทำได้ทั้งนั้นนะ เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนพักเปลี่ยนเปลี่ยนสัญชาติเลยเลยินีีเลยเออไม่เอาล้ประเทศนี้ขายขายประเทศนี้แล้วแล้วก็ไปเอาสัญชาติของประเทศผู้เป็นศัตรูนะเป็นเป็นคนละฝั่งเลยนะไปอยู่กับเขาเปลี่ยนสัญชาติเลยนะเขาก็ทําได้ส่วนชีวิตส่วนมากชีวิตอยู่กับพักการเมืองพักหนึ่ง อุทิตทุกอย่างให้พักนี่และตอนให้สัมผัสโอโ้ฉันจะอยู่ฉันจะตายกับกับบิ๊กคนนี้กับป๋าคนนู้นกับพูดกันพูดกันโอ้โหนำลายไหลเป็นลำธารเลยวันดีคืนดีรอยู่คนละพักแล้วแต่เราเห็นไงว่าอะไรที่แบบขายอุดมการขายมีมัน แล้วแล้วยังจะมีคนนีู่อ่อาสาที่มาให้เหตุผลด้วยนะโอ้เรื่งองการมาเป็นเรื่องปกติเรื่องปกตินะการขายขายอุดมการเป็นเรื่องปกติ่หมายถึงว่าไม่ควรตําหนีไม่ควรตําหนีเพราะเราชินกับเรื่องเรื่องเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนอุดมการ์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนความเลื่อมใสไปแน่ะ เรค่ okay. ไม่มันไม่เคยไม่เคยเรื่องที่สะดุดใจมากนะักพอนาจะเห็นมุสลิมมุสลิมคนหนึ่งอ๋อวันนั้นนะ่ะออกขาไปแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วทําไมอ่ะพอดีเขามีเมียฝั่งนู้นอ้าง่ายอย่างนั้นน่ะคือเราคิดว่าเออถ้าหากว่าศา ส, ะสะนาอื่นนี่กับเรื่องออกศาสนานี่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่มากศาสนานี้ธรรมดาบางที่นี่ พี่น้องแตศาสน่ส่งเสริมให้ลูกหลานนี่เปลี่ยนศาสนาเขาจะได้ดีจะได้เป็นคนดีกว่าเดิมอ่ะพรดูแล้วเนี่ยอูอยู่ศาสนาแบบนี้แล้วก็ไม่ดีไม่ดีก้าวหน้าไม่ได้อะไรเลยพราะเปลี่ยนศาสนาเออส่งเสริมสำหรับอิสลามนี่มันมีอะไรขาดล่ะบางคนเปลี่ยนศาสนาอย่างสิ้นเชิงเลยนะเพราะได้เพราะได้มีอะไรบางทีได้เพื่อนได้ได้มีมีคนที่เขา ติดตามาก็มาถกุ้มใจลูกลูกขอลูกขอลาออกลาออกอ๋อนึง่งควจะออกจากทํางานอ๋อไม่ใช่ลาออกจากศาสนาอิสลามไปเลยความรู้สึกรูความเข้าใจว่าศาสนานี่มันเหมือนอาชีพเหมือนตําแหน่งการงานที่สามารถใช้คําว่าลาออกนี้เงอะไรมันเข้าใจว่ามันมันก็เหมือนเป็นงานทํางานน่น งานทำงานมันก็มีมันก็อยู่ได้นะอาเทียสายอยากจะออกก็ลาออกความเข้าใจเนี้ยมันเกิดขึ้นมันเป็นเมล็ดที่เกิดขึ้นในสังคมโดยไม่มีความรู้สึกต่อด้านมันเลยเนี่ยมันต้องมันต้องมีเหตุผลศาสนาอิสลามก็ต้องพยายามพยายามที่จะปลูกฝังเรื่อง ความเลื่อมใสเลื่อมใสในอิสลามเลื่อมใสในพระผู้เป็นเจ้าเลื่อมใสในคาสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าอีสําคัญที่สุดนี้ก็คือตัดข้อผูกพันใดๆที่จะมาแยง้งแย้งกับความพักดีจงรักพักดีตลอดนี้นะอันนี้ถ้ามุสลิมเคลียไม่ได้นะเขาจะอยู่ในความเสี่ยงตลอดชีวิต อะไรอะไรที่มันแย้งกับความรักความจงรักภักด <'t> ีต่ออัลลอ์นี isters, står, ่นะอันนี้สมเด็ิบุคอลีมุสลิมท่านนบีสลัลลอฮอสลาลิัลลาเลาะาตุนสามประการมันกุญนาฟิีสามประการนี้อยู่ในตัวใครเนี่ยว่าจะด้บิฮินนะลาอลอมนเขจะต้องพบความหวานของ إ ي มานอย่างแน่นแสดงว่าถ้าไม่มีนะความหวานด้วย่าไม่ต้องพบแสดงว่าไม่ไม่พบความหวานมี إ ي ่ ا นแต่ไม่พบความหวานลองคิดดูสิ กินทองหยอดแล้วไม่หวานน่ะไปหาหมอเลยไปแล้วไม่ต้องไปหาหมอเลยใช่ไหมกินของหวานแล้วไม่เจอแล้วมีมีอิหมานแล้วไม่ไม่พบความหวานน่ะยังป่วยอยู่ถึงแม้ว่ามีอิหมานแล้วยังป่วยอยู่ วันนี้ผมเบลมาอะไรผมหิบุจะรักใครเนี่ยก็ต้องรักเพื่อ Allah เท่านั้นไม่ได้รักเพื่ออย่างน่้ไม่ได้รักเพื่อสตังเพื่อหน้าตาเพื่อตาแหน่งอานาจบารมีวันนี้กระหังวันนี้อูดได้กุฟริบ่าได้ตังกะซาอุลลอฮฺวินก็หมายกระหังนี้กุฟริฟินน์รักสถานะอีมานของเขาเนี่ยมากกว่าสถานะไรอิมานเนี่ยเท่ากับที่เข้า ถ้ารู้ว่าสถานะไม่มีอีหมานี่ยทำให้เขาเข้านรกจึงต้องเกลียดสภาพหรือสถานะที่จะเข้านรกมากกว่าสภาพที่เขามีความมั่นคงมีความปลอดภัยในการที่มีอิมาเราถูกถามง่ายๆเนี่ยเอาจะอยู่สบายๆในห้องแอร์นี่หรือจะเขา้าเตาอบนุ่นคนคน ปกติเน oh, ี่ยก็ต้องตอบโอ้ยอยู่นี่สบายอยู่นี่อยู่นี่ยามาโดยทั่วไปนะแมวแมวแมผมทําอะไรก็ได้อย่าให้ไปนู่นเลยอยู่ที่นี่นี่คือมันมันคือปกติไงเดีว่าถ้าอันนี้เนี่ยสามอย่างนี้มีนะเราจะพบความหวานของ إ ي ่ ا ن ฮาลาะวะเตลีมันที่อาจจะเป็นภารกิจทั้งชีวิตนะที่ต้องค้นหาค้นพบความหวานของอ إ ي م ا น วความหวานของอิมานนี่มันมันไม่มีไม่มีมมคํำนิยามไม่มีอธิบายตำราได้ไม่มีเลยหวานหวานเหมือนอะไรเหมือนหวานเหมือนเลมยัยไหมเหมือนแอปเปิลไหมหวานเหมือนอะไรเขาบอกว่าเขาความหวานของความรักมันยังไงอะความหวานของเรื่องเอ็เองต้องเอ็งต้องลิ้มเองความหวานของอีิมานนั่นก็เป็นอย่างนี้ ต้องชิมเองจะชิมยังไงอ่ะเต้องก็ต้องเข้าสู่วาระความประพฤติต่างๆที่จะอัญเชิญความหวานของอิมานหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเคลียร์เคลียร์หัวใจอายานี้เนี่ยสุรัตน์โต้วว่า20กว่าปีแล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องมาเคลียร์กับผู้ศรัทธาพวกจานึกว่าจะถูกปล่อย ง, ง่ายๆแบบนี้โดยไม่จะไม่ได้ถูกทดสอบ Allah จะได้รู้ว่าคนที่ต่อสู้ในหนทางพระองค์โดยไม่มีภาคีไม่มีคู่เคียงไว่มีไม่มีบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลอันเป็นที่ปรึกษาสนิท ส, สนมนะสนิท ส, สนมมากกว่า Allah ละระซูลและผู้ศรัธาพวกเจ้าจะถูกปล่อยอย่างนั้นโดยไม่ได้ผ่านบททดสอบนี้ไม่เป็นไปนไม่ได้แล้เราจะรู้ยังไงเหรอคนที่จงรักพักดีต่อพระองค์ นี่ถ้าดูห ม, มายถึงว่ากฎเกณฑ์หงมนุษย์มนุษย์ทั่วไปผู้ขครองประเทศไหนก็ตามเขาก็จะมีมาตรการจะได้จะได้เช็คดูเรื่องจงรักภักดีผู้ใหญ่ในองค์กรจะได้รู้ว่าใครใครใครที่ใครที่รักภักดีใครที่คิดคดใครที่ไม่เลื่อมใสเขาก็จะมีมีวิธีตรวจสอบ สำหรับมนุษย์ทั่วไปแล้วเราสุภาณวดาแหละเป็นผู้สร้างมนุษย์ทั้งทีเนี่ยอัลลอฮ์จะปล่อยให้พวกเรานี่โดยที่ไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวเลยเหรอว่าที่จริงเนี uh ่ยอ uh ินนาลิลละฮิเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องจำแนกตัวให้ชัดแระตกลงตกลงเราเป็นฝ่ายไหนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างก็ต้องแบ่งให้ชัดเจน เริ่มล้เริ่มหญ่คายกันแล้วต้องแบ่งให้ชัดเจนแล้วของใครของมันแต่จะมากั้ากึงอย่างเงี้ยไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้หรอกว่า ท, ทุกคนทุกคนนี่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่อยู่พักไหนจงรักพักดีกันเขาเรกันมูเห่าใช่ไหมแต่ถ้าประกาศชัดเจนแล้วเขาไม่เป็นมูเห่าแล้วนี่ถึงแม้ว่าย้ายจากพักอื่นเขาไม่เป็นมูเห่าแล้ว แล้วเราอยู่ในโลกนี้ทั้งทีเนี่ยนี่นี่เป็นอะไรอะ่ะไอ้บางคนนี่นี่ผมไม่เข้าใจนะที่พับก็เจอที่บาก็มีอที่ร้านนู ก, ก็เจอเฮ้ยไ่วัดก็เห็นในนู้นก็เจอที่บางคนนี่ตกลงเขาเป็นอิสลามหรือเปล่ากับพฤติกรรมแบบนี้ที่ทําให้คนต้องสงสัยแน่นอนต้องสงสัยให้เป็น แล้วก็ไอ้เรื่องสงสัยมันก็มีสงสัยเยอะสงสัยน้อยนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ยิ่งมุสลิมยิ่งเคลียร์ตัวเองชัดเจนในเรื่องคำสั่งสอนน่ะนะยิ่งประกาศตัวชัดเจนว่านอยู่ใครนี่ชัดเจนอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยเนี่ยเราเห็นน่นนะอาหรับที่เริ่มมาหาสู่กับอิสราเอลอนี่นี่กับไปแ ท, ทลวีนี่นึ่กับถ่ายรูปกับนั้นถ่าย ผมก็เริ่มสงสัยนี่ล่าสุดเนี่ยเปิดอะไรอะวัดวัดฮินดูที่ดูไบเปิดเขาเขาก็มีในใบายเปิดกว้างอะนะยังยังพอเข้าใจอะยังพอเข้าใจแต่เปิดเนี่ยก็ร่วมพิธีด้วยนะแล้วก็พิธีเนี่ยก็กมีรูปหลังวัวบูปั้นที่เป็นวัวไปรูปด้วยใส่ดอกไม้ด้วยเอาฮ้ย <laughs> ไปกันใหญ่แล้วนี่ไปกันใหญ่ละ อันนี้มันไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยชัดเจนจึงเห็นประโยชน์ของอายะแบบนี้เด้อในชีวิตเนี่ยเรายิ่งอยู่เนี่ยก็จะยิ่งเห็นว่าเราไม่ปล่อยใครหรอกตัวเราเองก็อาจจะถึงคิวที่เราจะต้องทดสอบเราเพื่อเคลียเคลียประเทศที่เคยประกาศตัวเองว่าเป็นประเทศที่ปกป้องอิสลามเป็นประเทศที่เผยแพร่อิสลามเขาเราก็จะไม่ปล่อยให ให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยมีสถานะที่หลอกลวงชาวบ้านโดยไม่ได้ผ่านบททดสอบจริงถ้าเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในคำส่งรักพักดีต่อ a l l a จริงๆน่ะจะจะฉลองฮิลล่าลูวินได้แต่นี่มันนี่นี่เป็นบทบททดสอบจริงๆบททดสอบในในนามประเทศในนามรัฐในนามองคอ์กรในนามบุคคลเนี่ยก็มี ความเข้าใจนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจต่างๆที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับในยุคนั้นโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยมันสร้างความสับสนจริงๆหนึ่งในความเข้าใจนั้นก็คือคนที่บูรณะมัสฤฤยิดยิ่งมัสยิดฮารอมเนี่ยดูแลคนที่แสวงบุญเอาน้า ม, มาให้เขากินทําอาหารให้เขากินดูแลเขาอย่างดีเนี่ยคนนี้ก็ทำบุญ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำความช่วยอย่างอื่นแต่ที่เขาทำบนนี่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หลวงที่จะต้องไม่เอาเรื่องอื่นนี่มาตาหนิเขาได้สิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงชาวมักกะเนี่ยเขาตำหนิเราได้ไงเราดูแลมักกะดูแลมัสซิดฮา ร, รมอมดูแลหุจยาคนที่มามาจะวงบุญ มัวแต่พูดเรื่องเรื่องชีวิตของเราเรื่องอะไรเนี่ยก็เรื่องนี้ไม่ไมพูดเลยได้งแสดงว่ามันมีความเข้าใจว อ, อทําบุญแบบนี้เนี่ยมันก็จะล้างบาปอย่างอื่นที่มันอาจจะใหญ่หลวงที่สุดที่มันให้อภัยไม่ได้แต่เขาเข้าใจอย่างนั้นนะเขาเข้าใจอย่างนั้นนะและนี่เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในทุกยุ่มัดมาดิบดิบไม่ได้ตั้งใจเอามายกตัวอย่างไอ้มัดมาดิบดิบเลยเนี่ยบอลโลกบอกแล้วนี่ถ้าเหมือนถึงบอลโลกนี่อย่าเบื่อมีเยอะมีบทเรียนเยอะอิหร่านกับอังกฤษเนี่ยอิหร่านอังกฤ ษ, กฤษเล่นกองเชียจากอิหร่านมาจากอิหร่านเลยนะกองเชียมาเชียเชียงไง มาดายอาลีมาดายมาดีนอโออาลีช่วยเลยดูอาเนี่ยคือถ้าดูอาต่ออัลลอฮ์มันก็ยังบุเร่อมาดูอัลลอฮ์เรื่องบนนั้นนสนามดูอัลลอฮ์ยังบุเร่เลยท่านี้ชิริกเลยนะมาดายโออาลีช่วยเลยเราจะได้เราจะได้ชนะในกาเลนวันโอ้โหแพ้หหนึ่ง 2 อ, อ่ะพลาดไม่ได้นะบนลโลก น, นี้ประเด็นไม่ดีตรงนี้ปนะ่ดมันแต่มันก็เป็นประเด็นมันก็เป็นประเด็นนะเพราะอย่าว่าชียร์ที่เขามีเรื่องเลอะเทอ่เนี่สุนีก็มียุโรปโอ้อัลลอฮ์ยุโรปช่วยเลยเราช่วยด้วยเรื่องบอล น, นี่แหละยุโรปยุโรปเรื่องบอล น, นี่แหละสุนนีก็มีเหมือนกันแต่นี้ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นนี้ทีว่าประเทศกาตาเนี่ยรัฐบาลน่นจุดยืนชัดเจนในเรื่องรักโรคมเพศเครื่องบินมาจากเยอรมันเนี่ยมีทงรักโรคมเพศอ่ะนะห้ามลงกลับไปอุมาณนั่นนะไปเปลี่ยนเครื่องก่อนแนละ้วก็ค่อยเข้าในอุมานมันเอไปเปลี่ยนเครื่องก่อนซะคือถ้าจะให้กัดเยอรมันในโคงหงยางรับจัดการให้ได้กลับไปอุมาณอุมาณมันใกล้ใกล้กนี่ย เปลี่ยนเครื่องก่อนนั่นแหละก็เข้ามาไม่ให้มีเครื่องหมายรักรวมเพศแสดงองค์วามเข้าได้เหรออันนี้ไม่ใช่ประเด็นอันนี้เก็บไว้เก็บวประเด็นบอกว่าประเด็นเยอะประเด็นเยอะแล้วก็ออกกฎหมาชัดเจนเลยนะบอกกับฟีฟ่านี่ยองนี้เนี่เราไม่ไม่ยอมเลยนะไอหัวหน้าทีมที่เขาตั้งใจว่าจะใส่ไอสัญลักษณ์ของรักรวมเพศเนี่ยตอนเล่นน่ะ ถ้าใครใส่เนี่ยต้องลงโทษนะฟีฟ่าประกาศเนี่ยมีนะมีโทษนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถอยมาอกว่าไม่ติดเ น, นี่ยกลัวโดนโดนโทษโุแข็งเจา้าคนละคนว่าก็ชิมมี่ไงกัตตานี่ไงกตังกตตาจุดยอดคือเรื่องดีเพรามประเด็นอยู่ที่ว่ารักร่วมพี่กับชิริกเนี่ยอันไหนบาปใหญ่อันไหนบาปใหญ่กว่าใช่ไหมเป็นเป็นคำถามมีความชอบนะ เป็นคำถามควรควรถามอะเออทำชิริกเนี่ยแย่กว่าหรือทำสิ่งอัเนี่ยรักโรแมนต์อันไหนที่มันแย่กว่าไม่ได้บอกว่ารักโรแมนต์นี่มันเร่งเร่งเงเออเร่งเล่มไม่ใช่ใหญ่มั้งกันล่ะแย่มั้งกันน่ะแต่ว่าเทียบแล้วเนี่ยนี่แสดงว่ามันเป็นความเข้าใจแล้วในสังคมมุสลิมว่าเรื่องชิริกนี่มันเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องธรรมดาะเป็นเรื่องความเห็นที่แตกต่าง เียใจทำไมสำชิริกเนี่ยวิงวอนอุอาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยชัดๆนะ่ะมาดัดย า, าลีมาดัดขอความช่วยเหลือยาอาลีนี่ยนะเฮ้ยเป็นความคิดที่แตกต่างกันได้แต่รักบรกมพี่นเนี่ยความวมิธีแตกต่างกันไม่ได้ที่เขาต่อต้านรักรมพีนเนี่ยก็ถูกต้องแล้วแต่การที่ต่อต้านอันนี้แล้วก็อันที่มันร้ายแรงกว่านี้ไม่ต่อต้านอ่นนะอันนั้นต้องต้องมาต้งคิดว่าเขาเข้าใจอิสลามถูกต้องไหม คือบางทีเนี่ยเราก็ไปดูในในมุมที่มันดีแล้วก็ชื่นชมอย่างเดียวแต่ที่จริงเนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งที่มันแสดงถึงความแย่ของของปัญหาของของสถานการณ์ของสถานการณ์พราะบางทีเนี่ยเราเห็นโอ้โหคนนิ้วทำไมคนละหมาดตรงเวลานี่มาแล้วอ้ละหมาดก็เรามองในมุมที่มันดีนัคือารละหมาดไงแต่หลังจากละหมาดนี่เขาไปเข้าผับ เขาโอ้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรเ ข, เขามาถึงเวลาแล้วหมาเขาตรงตรงว่ปิดเป๊ะเลยถ้าเราไม่มองกว้างอะนะเออมันก็ต้องมีมีบวกหารลบอะไรบ้างมันจะได้ดูอะไรที่ต้อ ง, ต, องต้องเตือนอะไรที่ต้องปรับปรุงแต่จะมองเรื่องดีอย่างเดียวเขาดูแล้วมัสยิดอารามก็ดูแลอะไรเรื่อ ง, อ, งอะไรจะไปลืมความดีของเขาแล้วก็เอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดอย่างเดียว มาดมาดสดๆเหมือนกันเปิดบอลโลกอะบอลโลกนี่มันเป็นเทศกาลที่สักกีฬาใช่ป่ะเทศการกีฬานะและกีฬาเนี่ยมันเป็นอะไรบันเทิงศาสนาเออสันตนาการดิ้นหนันตันตนาการบันเทิงบันเทิงมันไม่ใช่ศาสนาใช่ป่ะอ่ะก็เปิดพิธีเปิด บนโลกนี่มันก็มีคอนเสิร์ตมีเขาเอานักร้องนักดนตรีนี่เป็นปีนะเขาบอกว่าไอ้นักร้องที่เขาเอามาออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าปีนึงเลยนะจะได้ออกแบบพิธีเปิดนี่สามสิบนาทีปีหนึ่งอนะ่ะมันเดือนเท่าไหร่นะหลายคนปีนึงจะได้พิธีสาสิบนาทีคอนเสิร์ตที่เขาร้องกันอ่ะก้าก็ไม่มีร้องแต่โอ้โหมุสลิมเราแล้วก็มีนักวิชาการด้วยนะ เฮฮากันใหญ่เลยโวรตาสุดยอดเลยมึงข้าไประวัติศาสตร์เปิดบนลโลกด้วยคุรอตันเนี่ยถ้าเรามองมองในมุมเดียวนะโอคุรอตันเนี่ยมันไม่ชอบไม่เอาคุรอตนะเอากคุรอตันนีแต่ก่อนนู้เขาเรื่องพวกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงมันมีมันมีที่อีบเนี่ยบ้านเราเนี่ย ผับที่ไหนเนี่ยก็จะมีนักร้องที่มาเล่นดนตรีใช่ไหมมาเล่นมาเล่นกีตา้ามาร้องหรือว่าถ้ามีผับที่ไหนก็มีเวทีก็มีเต้นบ้างอะไระฮะที่อีบเนี่ยก็มีนะแต่ใมุสลิมีนะผับแล้วก็มีมีคนที่มาเต้นไอ้คนที่มาเต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเต้นหน้าระบมท้องอะไรเนี่ยเต้นเนี่ยของเขาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งบังอาจนะเอาเริ่มเลยบิสมิลลา เต้นบิสมิลลาก็โดนปนามะคนเนี่ยมันปลูกฝังอิบบ้าเปล่าเหล้าเต็มเลยนะคนที่นั่งมีแต่กินเหล้านะแล้วก็อันี้มันก็จะเล่นแบบเต้นแบบโป๊ะแล้วก็จะมาบิสมิลลาคนที่ไม่มีศาสนาอย่างประนามเลยทําไมต้องบันเทิงเอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวทําไมอ่ะคือถ้าไม่เอาเรื่องศาสนาเนี่ยก็น่าตำหนิเหมือนกันนะนะแต่เอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวเนี่ยมันน่าอิจฉากว่านี่ก็เหมือนกัน เราก็ชื่นชมเขเปิดบอลโลกด้วยกุรานดีตรงไหนอนกุรานไม่ใช่เหรอไม่อูทุกไม่อยทุกเรื่องที่อะไรเอาศาสนามาเกี่ยวแสดงว่ามันจะดีเสมอแล้วเราก็ก่อนก่อนจะเข้าเข้าห้องน้าอ่านไอคุรซีอย่างเงี้ยทุกครั้งก่อนเข้าห้องน้อ่านอคุรซีอย่างเงี้ยดีไหมล่ะไม่ดีไม่ดี เข้าห้องน้ำยี่มีดูอาของเข้าช่นี้นี่คนี่ขนาดขนาดยังพอมีเหตุผลอ่ะนะแต่จะท้าวจะว่าอะไรที่มันไม่มีแบบฉบับเลยนี่นี่ขนาดเรื่องเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องบาปมันเรื่องธรรมชาติคนถ่ายทุกข์นี่เป็นเรื่องธรม ร, งธรมชาติแล้วอัลลอฮ์กำกับชีวิตของเราเนี่ยให้ ร, รนนํ า, า, า, ารลึกถึงพระเจ้านะมีบทบัญญัติแล้วเราเราไปทิ้งแล้วก็ไปอุปโลกอะไรเองนี่แค่นี้ก็ยังตําหนินะ แล้วภาษาอะไรกับเรื่องที่มันบาปที่มันเป็นข้อห้ามแล้วก็ยังเอาศาสนามาปะป น, นนียเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเอาจเจวิตนี่ยมาแขวนรอบกาบา้านนี่เต็มกาบะแต่คนนี่มาสแสวงบุญเนี่ยทําบุญกับเขาเขาก็เนื้อหัวอ้ออันนี้มันอันนี้มันดีและอันนี้มันช่วก็อย่าพูดเรื่องช่วยเดี๋ยพูดเรื่องดีอีงเดียว คนเราเองเนี่ยถ้ามีมีความแฟร์มีความยุติธรรมกับตัวเราเองเราเราเราจะไม่เข้าข้างตัวเอ ง, งหมายถึงวา่าสมมติว่าเราตัวเราเองนะสํารวจตัวเองเรามีข้อดีมีข้อไม่ดีถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนะเราจะไม่เข้าข้างโอ้ยเรื่องดีฉันก็เยอะแล้วคนมาตําหนิม า, ม า, มาว่าเราเฮ้ยเองก็เอาเรื่องไม่ดีของจะมาพูดไม่เอาเรื่องดี ด, ดีบ้างอ่ะอันเนี้ยเข้าข้าง คือเข้าข้างตัวเองหรือตั้งใจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเริ่มเห็นสัญญาณคนตั้งใจเปลี่ยนแปลงเออเรื่องนี้ใช่ฉันก็จริงเรื่องก็ช่วยขอด้วย อ, อันนี้ยังเป็นสัญญาณเออเขาเขายังยอมรับว่าเขามีเรื่องไม่ดีเขายังขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะได้จะได้เปลี่ยนแปลงแต่คนอุย้ยเอาเรื่องนี้มาพูดเดียว เ, เรื่องนี้พูดดิ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่จะยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีละ่ะ แต่บางเอินสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันมันใหญ่มากอะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่มันแก้ยากทำบุญแค่ไหนนี่มันก็มันก็ไม่สามารถลบล้างบาปใหญ่ของของมันอะถ้าเราจะปล่อยตัวแบบนี้เนี่ยก็โอกาสโอกาสที่จะให้ความชั่วนี่มันหายไปนี่มันค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ในปรับทัศนาคติของ الكل أ ب في ك سمود أدب ف ش ่วง ننن إنه الشيخ بوقا قرأت يُقَطَّعَتِ الْأَنْوَارُ و َ ا ل م أ َ ش ْ ه َ ا ء ُ و َ ا ل ْ م ْ ر ي ن َ و ا ل ْ ر ُ ي َ ق ُ و ل و ن َ و َ ا ل م ْ ر ي َ و ل ُ و ن َ و َ ا ل م ْ ر ُ ي َ ق ن َ و ا ل ْ م ر و ل ُ و ن َ ا ل ل أ م ْ ر ُ ي ل ُ ن ا ل ْ أ م ر و ل ُ و ن َ و ا ل أ َ م ي ا ل ْ م ر ي َ ل ن ا ل ه م ْ ر ي ل ُ و ن ا ل มุชริกีนเขาบอกว่าเอาเรื่องไม่ดีเอาดึื่องชีริกก็เรื่งต่างๆนี่มาตำหนิเราแต่ไม่เอาเรื่องดีๆที่เราได้มูรณะดูแลมัสยิดของอัลลอ์เนี่ยมาพูดอัลลอฮ์ก็เลยโตทันดีแลยแม่ก้านะไม่บังควรลิลมุชริกีนนะแกะมุชริกทั้งหลายแกมุชริกทั้งหลายคือมุชริกีนนี่นะ เอกภพของมันนี่ก็คือมุชริกอันนี้พระหุภพเอกภพคืมุชริกแล้ว่าไม่บังควรแก่มุสริกทั้งหลายเออมันก็เอาเอกภพเอาเอกภพแล้วก็ทั้งหลายแต่ถ้าคนที่ก็จะคนที่จะเข้าใจทั้งหลายบวกกับมุชริมนี่หมายถึงว่า มุสลิกินกหมายเนี้ยว่าคือเขาพยายามที่จะละเอียดอ่ะมุสริกทั้งหลายคือจะใช้คําว่ามุสลิกีนทั้งหลายมันก็ไม่มันความที่ละเอียดเนี่ยเขาบอกเอามุสริกเอาเอกพจน์แล้วก็มาทั้งหลายนี่มันจะได้เป็นพระหุพจน์แตบบ่แบบแบบอาหรับไทยๆหน่อยแต่มันก็ยังยังยังมีปัญหาว่าถ้าคนไม่รู้เรื่องเอกพจน์พระหุพจน์คือเขาจะอ่านกับมุสริกีนแล้วก็มุสริกเนี่ย ทำไมนี้มันอีนแล้วอันนี้มันอันนี้มันอีนแล้วอันนี้ไม่อีนอ่ะใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าแปลถ้าจะแปลเป็นไทยก็แปลเป็นไทยไปเลยไม่บังควรแก่ผู้ที่ตั้งพากีกับบอลล็อตทั้งหลายมันน่าจะรับรื่นกว่าแต่โมเสกมันก็เหมือนกับมันเหมืนกับแปลกั้มกึงที่จะบูรณะอัญญามุรูที่จะบูรณะ ย่ามัร ม, มารอหนิบุรณะบุรณะนี่ก็หมายถึงว่าดูแลบำรุงซึ่งมันมีสองคำว่าออ ม, มารอหนิดูแลบำรุงก็ ม, มีสองอย่างดูแลบำรุงด้านวัตถุก่อสร้างฉาบทาสีปุภรมจีดน้ำหอมทำความสะอาดกวาดล้างติดแอ บุรณะทั้งนั้นนะแต่ทำอีกอย่งก็สร้างแล้วทาสีแล้วฉีดน้ำหอมแล้วติดแอร์แล้วแล้วคนที่มาบริจาคมาทุ่มในการสร้างมสซิดในการโอ้โหนี่คนนับเป็นหมื่นเลยนะหมื่นคนนี่มาร่วมงานมาบริจาคต่อบางทีใช้เวลาเป็นสิบปีเนี่ยกว่าจะได้สร้างมสซิดใหญ่โตนะแต่พอมาละหมาดแล้วเนี่ยคนมาละหมาดสามสี่คน การบูรณะมัสยิดเนี่ยไม่ใช่บูรณะด้านวัตถุบูรณะด้านฟื้นฟูให้มีชีวิตชีวาโดยการใช้มัสยิดตามวัตถุประสองค์มัสยิดถูกสร้างเพื่ออะไรเพื่อทำไอบาดะดูแลสังคมสมัยท่านนบีนีมัสยิดเป็นทุกอย่างมัสยิดเป็นตุลาการเป็นธรรมเนียปกครองเป็นกลาโหมเรียกนักรบมจิฮาดมาอบรม แก้ไขปัญหาระหว่างสามีภรรยาแก้ไขปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูกแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนเ hmm. พื่อนด้วยกันนี่บทบาทของมัสยิดเป็นมั น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นแบบนี้และนี่คือการบูรณมสิดเออะอะไรเกิดขึ้นเออราไปคุยกั น, น, ออนที่มัสยิดให้ไปหาท่านอบียรให้ให้น้องที่มัสยิดมัสยิดทําำท ำ, ทำหน้าที่ดูแลสังคมแทบทุกเรื่องแหละนี่คือการบูรณะที่แท้จริง มัสยิดจึงมีประโยชน์ศูนย์กลางจริงๆของสังคมจะสร้างมัสยิดแล้วอย่างดีเลยนะวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวักตัวเนี่ยก็ใช้ยิงยิงเต็มที่เลยนะชั่วโมงหนึ่งยิงเต็มที่เลยนะชั่วโมงหนึ่งห้าวัตูก็ห้าชั่วโมงจากยี่สิบสี่ชั่วโมงเหลืออีกเท่าไหร่สิบเก้าชั่วโมง อันนี้ถ้าใช้แบบเต็มที่นะอีกอีกสิบเก้าชั่วโมงนี่ไปถามนักลงทุนทั่วไปเนี่ยนสร้างสร้างอาคารจะได้ใช้จะได้ใช้วันละสี่ชั่วโมงอาคารอย่าง้อ้โหถ้แต่ถ้าแค่นี้เนี่ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นักลงทุนนั่นนะถ้าแค่แค่นี้เนี่ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอก นี่นี่เราสมมติฐานนะว่าใช้อา <okay. S 1> คารวัดซิดเต็มที่นะไม่ใช่นะไอที่บอกว่าห้าชั่วโมงเนี่ยห้าวัระตูเนี่ยก็คือคนมาลลามาดนี่ห้าคนนะใช่ไหมที่เราสมมุติฐานนะว่าคงไม่ได้มาลลามาดเต็มมัสซิดนะถ้าละมาดเต็มมัสซิดนี่ห้าวัดระตูเนี่ยเออยังคุ้มนะแต่นี้เราก็รู้กันนะมัลลามาดห้าวัระตูนี่คนที่มัลลามาซอกหนึ่งย่างเจ๋วที่สุดเนี่ยโอ้เจอสองซอกเนี่ยเราก็บอกว่ามัสซิดนี่คึก มีสองสามสบีครึ่ส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่บังควรคนตั้งพากีกับอัลลอ์นี่ทำชริกเรื่องใหญ่แล้วนะที่จะมาแอ บ, บอ้างเรื่องบูรณะออยาหมุรุมสยิอัลลอที่จะบูรณะบันดามัสิดที่จริงเนี่ยเขาก็บูรณะจริงนะแต่เขาบูรณะในมุมมองของเขาที่เขามองว่านั้นคือบูรณะคือบูรณะวัตถก อัลลก็พูดตามความเข้าใจของเขาอ่ะไม่บังควรในสิ่คุณบูบรณะได้งก็ไม่ควรเหมือนกันนะเพราะจะเอา่าแอบอ้างเป็นความดีเพื่อลบล้างความไม่ดีแทาแบบนั้นนะ่ะอลลอไ ม, ไม่ไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทาดีกว่าไม่บังควรที่จะทำเลยในฐานะ شاهد ีนาละล่าอัลมุสิฮิมบิลกุฟรในฐานะที่พวกเขายืนยันชา ه ีน ش ا ه د ش เนี่ย ชชฮิดุนเป็นพยานยืนยันกับตัวเองพยานเป็นคนพยานเนี่ยเป็นผู้ยืนยันชชฮิดีนะอะฟซมเป็นผู้ยืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองยืนยันว่าอะไรบิลกุฟรีซึ่งการปฏิเสธแตามุชริกีนยืนยันว่าตัวเองเนี่ยปฏิเสธอัลลอ์ว่าไม่ใช่พระเจ้าองเดียวแต่มาสร้างมัสยิด และอ้างมาเป็นมสสิดของอัลลอ์ในขณะที่เขาทำชิริกด้วยนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าแบบนั้นนะไม่งควรหนึ่งไม่ควรสร้างตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่มาดีนะและ Allah ว้วาัลลอาอมาพูดในสุรษะอัตโตบะเหมือนกันพวกมูนาฟิกีเลยะไม่ชมุชลิมนะพวกมูนาฟิกีนะพ ว, นนะพวกสรับกับกอกตั้งใจที่จะ สร้างความมุ่นวายในมสัสยิดในมัดีนะก็เลยไปสร้างมสัสยิดที่มัดีนะหต่างจากมสัสยิดนมีแล้วก็เรียกไอ้พวกไอ้พวกที่มีข้อคอรหาเป็นมูนาฟิกีนน่ะนะแล้วคนนี่ไม่ได้มีข้อคอรหาสแต่แต่เป็นพวกที่แบบว่ายังไม่เต็มที่กับอิสลามขี่เกียรตไปไปมสัสยิดไกลอะไรงไรี้ขี่เกียรมานี่เลยมานี่เลย ให้สังคมมันแตกแยกเลยไม่ไปละหมาดมื่อสิบเราก็เล่าเดี๋ยวจะมาเนี่ยดึงวันละนี้นะตะครุมมัสยิดอันดิรารกุฟร์นวัตฟรีกันวยรุซาดลิมันฮารสุดทายนี่ Allah สั้างให้ท่านนบีเนี่ยหรือมัสยิดหรือมัสยิดนะหรือมัสยิดนี่ไม่ใช่เรื่องเร่องนะแต่ถ้าหาว่าวัตถุประสงค์ของมัสยิดเนี่ยสร้างความแตกแยกในสังคมทําให้คน เข๋จะ ก, การจงรักภักดีต่อราชสูร์แหละนะมั ส, สยิดนั้นไม่มีความหมายไม่มีความหมายสร้างมั ส, สยิดเพื่อบรรทอนคําสั่งสอนเคำมั ส, สยิดเขาสร้างกันนะเพื่อจะได้ส่งเสริมเชื่อฟังคําสั่งสอนละ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นการสร้างมั ส, สยิดจะได้บรนทอนคําสั่งสอนนะที่ยุโรปมี <c oughs> ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยุโรป แล้วที่ยอร ม, มันที่พรังเสชื่ออามินะดอกร์อามินะเขาบอว่าเรื่องอะไรอิหมัมต้องเป็นผู้ชายไม่มีหลักฐานอิหมัมเป็นผู้หญิงก็ได้ดูฉันทำเองเขาก็ไปพยายามคุยในมสัสยิดต่างๆคุยในมสัสยิดไม่มีใครยอมให้สุดท้ายนี่ไปขอยืม บ, บทบทคริสต์นะละหมาดก็บทคริสต์ของชอบเลยสิของชอบเลย สุดท้ายนี่อันนี้เขาก็ว่าวแหละละหมาดครั้งแรกนะก็ไม่มีที่ละหมาก็เลยไปละหมาด ท, ที่บนที่หลังนี่เขาก็รวมตังกันแล้วก็ ส, สร้างเมริดแล้วนไปดูเขาละหมาดกันอิหมามเป็นผู้หญิงแล้วก็มะบุ่มคข้างที่ืนละหมาดนี่นะก็ผู้หญิงกับผู้ชายนี่ยืนติดติดกันเรื่องอะไรจะให้ผู้หญิงละหมาดอยู่ข้างหลังผู้ชายอยู่ทำไมไม่มีหลักฐานเดี๋ยวไม่มีหลักฐานบังคับ ไม่ีไม่มีไม่เชื่อเรื่องวาจิบตรงทําแบบนั้นแล้วก็ผู้หญิงที่เล้วอ่าก็มีหนุ่กังเกงสั้นก็มีไม่คุมไม่คุมหัวก็มีเลตุ่มเบี้เนี่ยมัสยิดแบบนี้เนี่ยบันทอนคาสั่งสอนสมควรที่จะต่อต้านไหมมีบางคนว่าคูก็ดีแล้วว่าคนละมาดนี่เนี่ยไอ้นี่เนี่ยไอ้พวกไอ้พวกไออพวกอะไรแบบว่ไม่มี เออโลกสวยเออก็นี่ก็ดีเขาเก็ยังสา ย, ยังละหมาดอยู่นะยังก็ยังแขง่งขันออสเตรเลียนี่พวกเกย์เขาบอกว่าเราไปละหมาที่ไหนรู้สึกคนคงมองเราแปลกๆเออเราจะได้สบายใจกันเลยต่างคนต่างละหมาดเขาก็แยกมาตั้งมสัสยิดเกยของเขาบันทรบันทรคําสังาส่งมัสยิดแบบควรที่จะต่อต้านแล้วคนจะมาต่อต้านมสัสยิดแบบนั้นน่ยไม่ควรไปละหมาเฮ้ยต่อต้านมสัสยิด เนี่ยมันก็จะมีเขากุสาวก็ละมาดละมือละมาดแล้วก็มีนะก็ดีลแล้วแหละเขาก็แยกตัวมันจะได้พิดภัยมันก็จะได้ไปิดกระจุกอยู่ที่ที่เดียว <c oughs> ก็มีคนที่คิ ด, ดเบื่อเบื่อไปนะก็ดีลแล้วแหละก็แบบนี้แหละที่จะทําให้ความชั่วเนี่ยมันก็สามารถเติบโตได้ลองคิดดูสิเราสั่ง บอกคนดิเมาเนี่ยห้ามเข้าใกล้ละหมาดใช่ไหมแต่กรบุตรสระแต่วันตรงสุกาถ้าคนที่คนขี้เมานี่นนะเขาก็อยากละหมาดนะเขาบอกว่าโอ้ถ้ากุแล้าเขากูเมาไปมื่อศีลเขาไม่เห็นละหมาดอย่างนั้นนะพวกขี้เมาเนี่นะรวมตัวกันสร้างมื่อศีลของเราคือถ้ามองเบโดยผิวเผินนี่มันก็เบอเออหน้มันก็เขายัางเขายัางอุตส่าห์เขายังรักละหมาดนะ แต่นั่นหมายรวมว่าเรากําลังเปิดประตูให้คนที่มีมนทินนี่นะรักษาบนทินของเขาแต่ถ้ามาอิสลามบอกว่าไม่มันมีสังคมเนี่ยสังคมสะอาดแล้วคนที่มีมนทินเนี่ยมาได้แต่อย่าให้เขาปรากฏด้วยมนทินของเขาเนี่ในมัสยิดนะคนวินเกเนี่มาละหมาดที่มัสยิดมันละหมาดได้แต่พอเขามาละหมาดเนี่ยเขาจ ะ, จะรู้สึกมาตรฐานความปกติเนี่ยมันต้องเป็นยังไงแต่ด่าก็ไปอยู่ไปอ ย, ปอยู่ไปอยู่กันเองเนี่ย มันมันจะมันจะเป็นยังไงมันก็จะไม่รู้สึกอะไรอะไรหน้าตําหนิหรืออะไรขัดขัดติดติดขัดขัดอะไรเลยเพราะเหมือนกันหมดเลยที่ยนซอบเขาบอกว่าอิหมามก็เกี๊ยซักันหมดเลยแล้วมาจะเปลี่ยนแปลงมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงล่ะอะิหมามก็รู้น่ะมัสซิดทั้งหมดเนี่ยมัสึกขี้เมาสมมติแตนะเนคนชอบกินเหล้าอ๋อแยกตะดกันแล้สั่งมัสซิดไม่ต้อง ไม่ต้งยุ่งเรื่องมันร้ายแรงนะมันสาหัสนะไม่ใช่เรื่องตลกนะที่อินโดนีล่าสุดนี่รู้ว่าพวกรักรวมเพศเนี่ยไม่ใช่มัสยิดอย่างเดียวนะตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามบอลเนออดดอนี่แกแกฟังเล่าเรื่องนี้ก็เห น, นื่อยเหนื่อยเหนื่อยรู้ว่าถ้าเราคิดจะแก้ปัญหานี่จะแก้งไงแต่มัน มันเริ่มต้นดึงนี้เกิดความคิดอะไรในสังคมมานะแล้วก็ไม่เคลียร์ให้ชัดไม่พูดให้ขาดไม่ชี้ให้ตรงไปตรงมาความกั้มกึ่งในการชี้ขาดประเด็นที่เป็นหลักการศาสนาที่มันชัดนะนะมันจะส่งผลงแบบเนี้เราชี้ชี้ขาดในเรื่อง ที่มันชัดเจนในสังคมเนี่ยแต่มันก็คนละประเด็นกับการที่เราจะต่อต้าน <c oughs> ทีนี้ปัญหาในสังคมเนี่ยและนี่คือเรื่องที่เราต้องศึกษากันวน่าบางทีเนี่ยเราเผยแพร่หลักการศาสนาเนี่ยไปพลาดมุมหนึ่งอะไรมันก็มันก็จะพ่วงปัญหาต่างๆมันพ่วงมาคืออย่างนี้พอชี้ขาดพูดเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยคนบางกลุ่มนี้ก็เข้าใจว่าอ้อ ถ้ามันเรื่องมันไม่ใช่เรื่องมันผิดเรื่องมันรับไม่ได้นี่นะแสดงว่าไอ้ตัวคนที่เขาทำเรื่องที่มันรับไม่ได้เนี่ยเราก็รับเขาไม่ได้เราก็ยุ่งกับเขาไม่ได้เราก็ตอนรับเขาไม่ได้เขามายุ่กับอยู่กับเราไม่ได้มาร่วมกับเราไม่ได้จึงเกิดปฏิกิริยาเนี่ยช่วยเราต่อต้านเรื่องรัดร่วมเพศต่อต้านอย่างรุนแรงเลยนะคือเราต่อต้านพฤติกรรมแต่ตัวคนเนี่ยไม่ใช่ตัวคนเนี่ยเราต้อง ต้อนรับแล้วก็พยายามดาว่าเขาไงพยายามบำบัดเขาไงคนตกบ้านอยู่อยู่ในไฟไหมอย่างเงี้ยเราไม่ชอบไฟต่อต้านไฟไหมอ่ะต่อต้านไฟไหมแล้วก็ต่อต้านคนที่กำลงังไหมใในบ้านใช่ไหมไม่ต้องไปยุ่งหรื อ, อเข้าไปช่วยต้องเข้าไปช่วยเขากำลังเจ็บปวดอยู่ก็เหมือนคนที่กำลังทาบาปอยู่เขากำลังเจ็บปวดอยู่อันนี้พอเราไม่แยกกันนะต่อต้านพฤติกรรมแล้วก็ต่อต้านคนกระทาด้วยโดยไม่เปิดโอกาสให้เขา เข้ามาเข้าใจมามาปรับปรุงชีวิตของเขาเนี่ยมันจึงทําให้คนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องแยกตัวออกไปแยกตัวออกไปอพอแยกตัวออกไปนั้นก็ยังมีคนในสังควนอกก็ดีแล้วดีแล้วละ่ะให้พน้นให้พ้นไปแต่เราไม่มีความคิดที่จะที่จะเข้าใจเรื่องหลักการศาสนาหลักการศาสนาว่าเรื่องเรื่องเรื่องเชื่อเชื่อในคําสั่งสอนเชื่อในหลักการและก็เรื่อง ความประพฤติกับบุคคลที่เขาได้ฝ่าฝืนหลักการเนี่ยเราต้องด่าว่าอย่างไงเราต้องเราต้องมีมารยาทกับเขายังไงซึ่งมันมันคนมันคนละประเด็นกันแล้วเราจะเห็นว่าในสุลต่านวบ้านเนี่ยพนามพวกมูนาฟิกีนทั้งหลายนะแต่ไม่มีเอ่ยชื่อมุนาฟิกสักคนหนึ่งสุรต่านตวบ้านรอยี่สิบกว่า呀 ปนามูนาวิกีนวอมินหูมวอมินหูแลุ้บุคลขาแล้วพวกนี้เขายัโผล่ปนะแต่ปนาพฤติกรรมแล้วมูนาวิกีนอยู่ไหนอ่ะเขาไปแยกกลุ่มแล้วก็ไปอยู่กันหมู่บ้านเน่งหนีอไปอยู่กันอ่ะไม่ก็เขาาก็พยายามที่จะสร้างมัสยิดแล้วก็มักระจุนนบีก็เลยห้ามไงทําไม่อ่ะให้เขาอยู่ในสังคมนี่แหละแล้วไม่มีใครรู้ตัวด้วย น บ, บิรู้นะมุนากิกินเนี่มีมีกคนมีเท่าไรมีพฤติกรรมยังง น, บ, น บ, บิรู้หมเลยนะแล้วก็บอกกับใครว่ออ า, าคนเดียวคน อ, อื่นไม่รู้เลยทําไมอะ่ะหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าเขาจะปรับปรุกนี่บทเรียนที่เราได้มาในการประนามพฤติกรรมเนี่ยบอกว่าไม่ไม่บังควรเลยที่จะคิดว่าการทําบุญในการบูรณะมะสัสยิดเนี่ยมันจะกลบ มันจะกลบความชั่วของการตั้งพาคีกับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละอุลักะฮะบิรัอามะลุมที่ต้องเข้าใจ ช, ชนเหล่าชนเหล่านั้นแหละหบิรัอามาลุมบรรดาการงานของพวกเขารายผลในหลกนักการศาสนาอิสลามการงานบาปบางอย่างนี่นะทําให้ความดีเนี่ยไรผลเลยในะหมายที่ว่ามันมันลบล้างไปหมดเลย นั่นก็คือดงบรรดาชิริกทั้งหลายอุลัมาส่วนมากบอกว่าทั้งชิริกเล็กและกัชิริกใหญ่นะเาะเรบอกว่า ولقد أُوحِيَ إلَيَكَ وإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطْنَ عَمَلُكَ و َ ل َ ت َ ك ُ و ن َ ن َّ مِنَ الْخَاسِرِينَ เจ้าและบรรดา ن ب ที่มาก่อนเจ้าไ ด, ดาา้รับวะฮอยู่แล้วได้รับคำสั่งสอนแล้วแَ ئ ِ ن َ ش ْ ر ْ ت ถ้าเจ้าได้ชริกแล้วใ ไม่ได้บอกนะชีริกเล็กชีริกใหญ่นะและนี่ไม่ได้เตือนสามัญช น, น, นเตือนบรรดานาบับดีและรสูนและอินอัชรกตะาถ้าเจ้าชีริกแล้วเนี่ยแล้วบัตรนหนามาลุกการงานอามของของเจ้านี่การงานของอะไรผลอยาก บ, บัตรฮับบุดอยากบัตรไรผลนี่ไงมัต h a b ะไรผลมีการงานบางอย่างเนี่ยไม่ทําให้บาปบางอย่างไม่ทําให้การงานเนี่ย ไรผลทั้งหมดกตมันจะบั่นทอนคุณภาพของมันเช่นบาปใหญ่หรือความผิดต่างๆอะไอย่างเช่นอการไม่มีสมาธิในละหมาดจะไม่ทําให้การละมาดโมฆะนะลมาดแล้วก็กําลังสร้างบ้านอยู่รากาที่แรกนี่ก็ขึ้นแล้วชั้นหนึ่งราคาที่สองชั้นสองขึ้นแล้วพอดีเลยสร้างบ้านสี่ชั้นเลย นามาตรี่เสร็จเดี๋ยวอัสรีนี่มาตกแท่งกันละหมาดไม่โมฆะไม่แต่ผลลุ้ญนยังไงเหมือนกันเลยตือนซินอดก็ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ร่วมหลับนอนซะแลนินทานูนนินทานี่โกหกนุนพูดเท็จใส่ร้ายแ น, แน่นอนการมันรั่ว มันรั่วแต่ม <judging> ันไม่ท allora. e ําให้ม e ูอข้างงแต่มันรั่วหมายถึงวันเกียมาเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ถือสิล่ะถือสิลดแหละแต่ถือสิลอดอาจจะไม่ได้ผลเลยมันจะไม่เป็นบาปเหมือนคนดีไม่ได้ถือสนดเขาถือว่าได้ทำดำได้ที่ถือสนดแต่ผลละบุญล่ะเหนื่อยเปล่าวเลยอัลลอฮฺบอกว่าผูนที่ได้จากการด่มนั่นก็คือหิวกระหายอย่างเดียวเพราะอะไรอะเพราะมันไม่ได้ผลละบุญ อันอันเป็นความหวังอ่ะเราตื่นสินอดแล้วก็วหวังผลละบุญมหาศาลที่ทำให้เราได้ขึ้นขั้นสถานะตำแหน่งความดีในสวนสวรรค์แต่พอไปแล้วอ้าวไม่มีว่าฟินนาดุมคอลิดนและในรกนั้นพวกเขาจะอยู่ตลอดกาลอา้าวแล้วใครละ่ะที่จะมีสิทธิบุรณะมาสิ์ของ Allah لجب انتي ناشين لا จะเป็น تي نا ش ي ่ ن شم نا الله الله قاله هاكام تأو تنتي ل إنما ي ع م ر م س ا ج د الله من آ م ن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من ا ل م ُ ت د ي ن تاتين إنما تاتين ي ع م ر ت ج ب و ر ن ا تاتين تجبورنة มัสยิดของ Allah นั่นมันอามนนะคือผู้ที่สัทย์ต่อล l l a h บิลลาฮีสัทย์ต่อ Allah และวันอีกแล้วนับประโลหคนที่จะบูรณะมัสยิดถ้าในความหมายของบูรณะว่าบูรณะวัตถุสร้างนะคนที่จะสร้างมัสยิดนี้ก็ต้องเป็นคนที่สัตย์ต่อ Allah แล้วนับประโลห เธอในความหมายว่าบุรณะอันนี้หมายถึงว่าคนที่จะมามาฟื้นฟูกิจการศาสนกิจต่างๆในมัสยิดอันนี้ยิ่งแน่นอนว้าคนที่จะมาละหมาดคนที่จะบุรณะกิจกรรมในมัสยิดเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ศรัทธาต่อลอเบลนี่ยิ่งชัดไปและด้วยเหตุบุนี้เนี่ยมีทัศนคของอุลามะบางท่านเขาบอกว่าบุรณะนี้ถูกดูแบบ จะสร้างตอกเสาเข็มก็อีกชฉากทาสีเครื่องไฟฟ้าปะปาแอ้ใครจะมาทำเนี่ยต้องเป็นผู้สัตธาต่อัลลประโมโลกผู้ร่ำเมาโดยเาะบ้านเราเนี่ยอบอกม่าโอ้ทมทนี้นี่สวยเลยสวยเลยแล้วกรมการมาสิทุกกรรมการนี่ยงโอ้สวยเลย แต่มันเป็นทัศเป็นทัศนาที่ที่อุลามะจํานวนหนึ่งได้สนัอุลามะที่มีน้ําหนักกันนะสนับสนุนเขาบอกว่านี่บุรณะทุกเรื่องกันนะจะเป็นเรื่องด้านวัตถุเรื่องนานามาทางก็คือเรื่องศาสนกิจเนี่ยจะต้องเป็นผู้ศรัทธาต่อโลกวารโลกและเป็นคนที่ละหมาดด้วยโชคดีวัตสนาอุลามะสุดมหัศจรรย์ มันเป็นปัญหาจริงๆโดยชฉพาบ้านเราน่ะโดยบ้านเราที่ประเทศมาลีมาลีเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่มามาลีไม่ใช่มาเลนะนี่มาเลเซียนั่นมาลีที่แอฟริกาอยู่ตะวันตะวันตกของแอฟริกาเนี่ยเคยเป็นประเทศอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วก็เคยมีสุลต่านของอาณาจักรมาลีเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ขาถือว่าเป็นคนดีร่ำรวยที่สุดเพราะตอนเมื่ออดีตในประมาณสามามรอยกว่าปีเนี่ยมาลีเนี่ยมีเหมืองเหมืองแร่ทองคำเหมืองทองคำอะนะเยอะที่สุดในโลก สุลต่านนะ่ะฉัน่าจะชื่ออบูบักกผมผมลืมลืมชื่อเต็มสุลต่านอนค์ตอนนั้นนะ่ะนะทรัพยากรของมาเลเยคือทองคําร่ํารวยที่สุดนี่คือนี่ประวัติศาสตร์นี่ทั้งตําราของตะวันตกตําราของมุสลิมเหมืนะประมาณสามสี่ร้อยปีนะประมาณหกร้ยปีเนละผมจำจำไม่แม่นนะ่ะร่ํารวยที่สุดอิมาอับเนฮาจ์เนการะบุเขาบอกว่า ปีนึงที่สุนตาคนนั้นนะ่ะเขาได้เดินทางจาก่นแอฟริกาตะวันตก น, นเดินทางไปทำไปทำฮัจแล้วเดินทางนี่แกก็ต้องผ่านหลายประเทศนะเขาบอกว่าคาราวานของเขาเนี่เป็นพันอูดนะพันตัวนะอูดพันตัวเนี่ยบรรทุกทองคําแล้วเขาบอกว่าไปเมืองไหนเนี่ยแกจะ พรมแกจะโรยทองคําแจกเนี่ยโยนเนี่ยอิมเนาะฮะจะบอกว่าทําให้ราคาทองคําที่ปริติส์อิมเนี่ยที่เขาผ่านไว้อันนี้ก่อนที่จะไปถึงมาการ์มาดีนานาเข ก, ก็ต้องผ่านไปอิมเนาะฮะเจ้าเนี่ก็เป็นอุลามาที่อยู่ที่อิมทำให้ราคาทองคํานี่ตกปะหกกะปีนั่นแหะราคาทองคํานี่ตกเลยบอกว่าแทบไม่มีไม่มีเออเยอะไงะไปดูไอ้นี่วิกิบีเดียเขาก็พูดถึงนะ เขาสารนิฐานนะว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยน่าจะมากกว่าล้า น, นล้านดอลลาร์เขาบอกว่ายังไม่เคยปรากฏในโลกของมนุษย์เนี่ยคนที่ทรัพย์สินของเขาเนี่ยล้านล้านทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือพวกมหาเศรษฐีนี่ก็ก็ยังแตะแค่แสนล้านนะแสนล้านรวยที่สุดเนี่ยก็ประมาณสี่แสนสี่แสนล้านล้านล้านนี่เองมี่เขาบอกว่าหมอนี่แตะไปแล้ว เขาสร้างมั ส, สยิดใหญ่มากนะครับที่มาลีแต่ตอนก่อนสร้างดำสถาปัตยกรรมของที่นู่นนะของคนอฟริกาเนี่ยสร้างด้วยดินเปียกคือเขาคือคอิฐของเขาเนี่ยก็คือเอาดินเนี่ยดินเนี่ยแล้วก็แล้วก็นวดกับน้ําอ่ะนะแล้วก็ตกักตักแดดไม่ไม่เข้าไม่เข้าแล้ตกักแดดเข้ามาลีเนี่ยประเทศที่ไม่ค่อยมีฝนตกนไะงโดนแดดแล้วก็ฝนตกปีละครั้งอย่างเงี้ย ทุกปีเนี่ยทุกปีเนี่ยเนื่องจากแดดเนื่องจากฝนครั้งหนึงมันก็จะมีผลกระทบมัสยิดนี้เขารักษาทุกวันนี้นะนะมัสยิดใหญ่มากคนจุเป็นหมื่นคนละหมัดตั้งแต่อายุประมาณสี่ห้าร้อปีเนี่ก็ ย, ยังรักษาอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บูรณนะแบบว่าเหมือนร่วมสมัยในใหม่ก็เหมือนเดิมดีแหละมัสยิดใหญ่มากทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเป็นมัสยิดที่ที่ที่ใหญ่มากทุกปีเนี่ยเขาต้องบํารุง หายถึว่าต้องมาฉาบไหม่ต้องเอาอะไรที่มันที่มันสุดจ ำ, จำรุดอะไรเขาก็เขาจะไม่ยอมชาวบ้านเนะ่ยที่อยู่ในเมืองในเมืองนั่นนะ่ะอดีตเป็นอดีตเมืองหลวงชาวบ้านเนะี่ยจะไม่ยอมจ้างใครไม่ยอมให้ใครที่ไม่ใช่มุสลิมมาบูรณะมาสร้างมสัสยิดชาวบ้านก็รวมตัวคนเป็นหมื่นนั่นนะ่ะเนี่ยไองไปดูคลิปมีนะอีทินี่ลองไปดู เขาจะรู้อคนนี้ทําอาหารให้คนนุ่นน่ะเหี้ยเด็กมากแล้วแล้วก็ช่วยกันทำํำยิงแต่ก่อนนุ่นน่ะบ้านเราอ่ะนะส่วนมากกันนะก็เป็นแบบนี้แต่ก่อนนุ่นตอนเราตอนสร้างเมื่อสิบแบบไม่ง่ายรเรีย บ, รยบสร้างจากไม้อ่ะอืมก็ช่วยเป็นตัดไม้ในป่านี่ก็บ่าก็อยู่ก็อยู่ใกล้หน้านี่แหละไปตัดช่วยตัดไม้กันหน่อยแล้วบางทีก็อาจจะสั่งไม้มาพราะสั่งไม้มาอ่นะ ไม่ไม่ต้องตอกเสาเข็มไม่ต้องอะไรนะอก็เอาเสาเข็มที่เป็นไม้เนี่ยมามาเหยียบกันมามาทุบกันเองอะไรเองสร้างขึ้นมาสิทธิ์แบบเรียบๆใครทาคนในชุมชนส่วนมากคนในชุมชนและไม่มีนะจ้างใครในพรวกรองในชุมชนเนียก็มีช่างไม้ช่างอะไรแลวก็มีคนช่วยแบกคนช่วยคนช่วยทำนู่นทานี่เขาไม่ใช้ตะปูไง อะไรนะลยะฮะลิมเออลิมเอ่ อ, ม, อ, อ, อ, อมันจะตปูจะตัปูแต่ตัปูกัตัปูไม้อะไรก็มาคิดว่าถ้าถ้าจะต่อกันอะไรก็ไปตอกเออไม่มีไม่มีอะไรที่มันยุงย่งยากเี่ยแต่ก่อนนเราก็เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้มาสร้างเริ่มสร้างเป็นเป็นปูนเป็นเป็นคานเป็นอะไรอย่างนี้นะก็ก็ยังมีนะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งคนรับเหมาที่ไหนนะดูดูผมเองดูผมรับเองผมไม่เอาตัง แต่อบอกผมก็มีก็ยังผมก็ยังทันอยู่นะเออมาสิผมทําให้โน้ตผมทําให้แล้วบดีมีผู้รับเหมาในในชุมชนโน้ผมทำให้น้ผมเอาโนผมซื้อปูนให้ผมซื้อไม้ให้อะอเสร็จแล้วแต่พอเริ่มเริ่มเข้าวัฒ น, นธรรมสังคมใหญ่มาสิโน้นรรชั้นเดียวมาสิที่ตุกสองชั้นมาสิโน้น ตก่อนนู้น่ยพื้นเนี่ยเขาเขาฉาบปูนเฮ้ยนี่ต้องกระเบื้องมาสิ่ต่อมาเนี่ยอันนี้ต้องต้อง g r a n i เฮ้ยมิมบันเนะี่ยมิมบัตเนี่ยนะเขาทำสองหมืนนี่ต้องสองแสนอันนู่นต้องสองล้านเนี่ยแล้วพออวดกันไปอวดกันมาแบบนี้เนี่ยไอเรื่องเสียสละนี่มันจะมีมะพอเราไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไงก็เหมือนสมัยท่านนาบีเนี่ยเวลาคนตายเนี่ยครอบครัวเขา จะไม่มีเวลาทํากับข้าวนบีเขบอกว่าเอากับข้าวเขาคือมาเรื่องมาเรียบไอเรียบแบบเนี้ธรรมดาเรื่องเรียบแบบนี้มันธรรมดาจนจะมีคนตายคร อ, อบครัวเขาก็ไม่มีจะกินบางทีก็มีบางที่น้องก็มาจากต่างจังหวัดเอามาบ้านนี้เดีย๋ยวเขาทำแบบนี้ในแบบธรรมชาติเรียบเรียบแบบนี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ข่าวที่แล้วนี่นะไอยอไอยอของไอบ้าศเนี่ย ย่อของไอ้บ้านเนี่ยมันล้มวัวตัวหนึ่งอ่ะกูต้องสองตัวยอกกูต้องสองตัวแบบนี้มีใครจะช่วยไหมเนี่ยไม่ไหว <c oughs> มันเป็นเรื่องแข่งขันกันแล้วมันเรืองมสัสยิดเนี่ยแข่งขันกันสั่งมสัสยิดเนี่ยไม่ได้แข่งขันกันทนําบุนอันนี้มันก็อิหรอบเดียวแต่ก่อนนู้นเะน่ยเขาถือว่าเออเราเอานา้ําเอาอาหารมาเลี้ยงคนหุย้ายคนที่มาหนึ่งกันอวดัตมุสลิคีนนะนะอุบ ผมบอกว่าปวดเด้งไงปวดเด้งไงมีเรื่องบาปใหญ่แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันน่าปวดเลยในทำนองเดียวกันะการที่เราได้เรียนรู้อัลกุรอานให้ให้เป็นธรรมนูญในการปรับปรงชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจะวางมาตรฐานนะมาตรฐานในการ นี่เดี๋ยวนี้คณะกรรมการจังหวัดแต่ละเขามีมาตรฐานมัสยิดเนี่ยต้องห่างไกลกันเท่านั้นกี่กิโลต้องมีหมกูกิมเท่านั้นคือมันเป็นเงื่อนไขเออถ้าถ้าครบเงื่อนไขแล้วสร้างเลยสร้างเลยจะมีคนละหมาดมีไม่มีละหมาดจะมีบรรยายไม่มีบรรยายจะขุดบาครบทุ่นจะอะไรเนี่อันนี้เขาไม่มีเงื่อนไขคือเขาจะไม่มีตั้งเงื่อนไขนะเวอรถ้ามัสยิดไ ด, ได้ได้ตั้งแล้วเนี่ยต้อง ต้องดำรงซึ่งอาญาซึ่งอิกรมาซึ่งละมาซึ่งแล้วต้องมีกาตัต้ตรวจตรวจสอบอามาซสนี่คิดว่าถูกประสงค์มาสิทใหม่เขาจะตรวจสอบดูก่อนมสิที่ตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่านจากมาสิด น, น, นู้นแล้วใดอ่านกินนหน่ชุมชนไปน้ำก่อนมุกเกมกี่คนกี่หลังคาเลยนี่ไอ้นี่เงินไขเป๊ะ เ, เ, เลยถ้านเนี่ยอนุญาตสั่งมาสิสสั่งแล้วดู เฮ้ในชุมชนนี้เนี่ยมันมีสิ่งเสพติดเยอะ ม, ม, มันมันมันมั่วไปหมดเลยมัสยิดนี่มีบทบาทไหมไม่มีบทบาทนี่มัสยิดนี่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความหมายทําไมอย่าสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนกันโอ้ต้องมีมาตราฐานมาตราฐานโรงเรียนโ ร, ง, ร, ง, รงเรียนที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมของชุมชนโรงเรียนที่จะต้องมีบทบาทในการสนองนโยบายของรัฐนี่ทั้งหมดนี่โอ แล้วกระทรวงนี่ตัวสอบด้วยนะตัวสอบอย่างละเอียดเลยนะทําหน้าที่หรือเปล่าทำบ้างไม่ทําบ้างอันนี้แต่เขาหมิงก็เองนอ ก, ก็มีอ่ะแต่มาศดเนี่ยมีไหมมีไหมประเทศอื่นประเทศอาหรับเทศประเทศอื่นยิ่งกว่าบ้านเราเนะี่ยมสศีดต้องเท่าขนาดนี้เสาอาซานต้องสูงขนาดนูต้องกรรมการมาศีกรรมการอิสลามบ้านเราคงไม่พู้ชาวว่าไม่ไหวหรอกแต่ประเทศอื่นนี่ อย่างประเทศอียิปตนะประเทศอีบเนี่ยถ้าเป็นมั ส, สยิดในในพื้นที่มีคนสัญอ้ต้องใหญ่ขนาดน้นตรงอาซานอุนตรงอาซานสูงกี่สิบเมตรต้องเงินไขแบบนี้นะใครจะไหวล่ะจะ <s uss> มีเงื่อนไขเรื่องการเมืองเนี่ยมันบางทีามมากสสสสท็ตามมาเนื่องจากมัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสังคมจริงๆอ่ะนะเงินไขที่ตามมานี่ยเขาไม่ดูเออมัสยสิดเนี่ยช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ในส่วนของดาวห้าไหมต่อต้านเรื่องเรื่องบาปใหญ่เรื่องชีริกตนะอันนี้ไม่ดูดูว่าข้อเท็จยม่มเนี่ยเขาเอาด้วยกับผู้นําประเทศหรือเปล่าเขาขึ้นคุบาตบถตํำหนินโยบายของรัฐหรือเปล่าเขามีต่อต้านอิสราเอลหรือเปล่าเขาขอดุอาแช่งนู่นแช่งนี่อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็รวมถึงมสัสยิดฮารอมด้วยมัคการละมาดีนะเดี๋ยนี้ไม่มีแล้วปัญหาของโลกมุสลิมปัญหา ที่จะต้องเป็นนโยบายระดับระดับอุมมะเนี่ยที่มันควรออกจากมักการและมาดีนะั่นะเป็นมัศิดสองมัศสําคัญที่สุดในโลกมุสลิมไม่มีแล้วมีแต่ชื่นชมกษัตริย์ชื่นชมผู้นําชื่นชมนโยบายของเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนดีเป็นคนอย่างงุน่นแล้วขอดูอาของเขาอิสราเอลนี่ห้ามแต่ละอเมริกานี่ห้ามแต่ละ ผมาทันนยุคผมเนี่ยทันแชงอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเป็นชื่อเลยชื่ออเมริกาอิสราเอลเนี่ยยูนี่ที่เป็นชื่อเอยชื่อเลยในละมาดด้วยและอิมามเนี่ยชุดเนี่ยอยู่กันที่อยู่กันตอนเนี้สองสามค น, นแต่กลายเป็นอเมริกายูกลายเป็นกลายเป็นประเทศผู้เป็นมิตร เรื่องที่น่ากลัวนะเดี๋วเอามาพูดถึงคนที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนอุดมการณ์แล้วก็บิดเบือนคําสั่งสอนนี่ก็หมายถึงว่าคนที่ไม่เอาไหนกับอิสลามคนที่คนที่มีข้อสงสัยในอุดมการ์ของเขานี่ยแต่ถ้าหากวาเป็นผู้นำทีียนศาสนาที่เป็นเคยมีเคยมีประวัติในการสนับสนุนคําสั่งสอนอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเปนเรื่องน่ากลัวมไหมน่ากลัวกลัวสิวันหนึ่งวันใดที่ เห็นผมเนี่ยเคยไปประท้วงน้าปสถานุเยี่ยวเยี่ยวดายพวกยิวแต่วันนึ่งวันใดเห็นผมเนี่ไปก่อดกันในเตนยาโ h o n งนั่นน่ะสัญห์วันเกียรมัดละสิสญญมนันต้องไปสัญญาวันเกียร์มัดสิมุสมานกันวะหนึ่งก็เช็คไปแล้วเช็คไปแล้ ว, ม, าาวมันน่ากลัวไหมล่ะนี่ผมกําลังกำลังกําลังให้เหน็นนะโมนี่อิหม่ามซิฮารอมนี่ผมท่นนานน่ะน่ะ ที่เป็นมั่มใหญ่ตอนนี้ผมท่านก็ น, น่ะตอนเอ่ยอยูอเมริกานี่แช่งอย่างแรงเลยอะประเทศไหนมีปัญหานี่นะ่ะชีชเนียอัฟกานิสถานขอดูเอ่ยชื่อเลยเอัลลอฮุมังสูร์มูจาะฮิดีนนะดดนี่เน๊ดะละอมดอนนี่ทุกปีนะโอ้โหทุกคืนนะละอัมดอนนี่ต้องมีเดี๋ยนี้เนี่ยคำว่ามูจจะฮิดีนเนี่ยไม่มี คำว่าม um, uh, uh, uh, ุญยาฮีดีเนี่ยไม่มีเลยจะใครขอเนี่ยใครนึกจะขอนี่นะสุโบนี่ไม่ต้องละหมาดที่บ้านแล้วไม่ต้องละหมาดที่มัสยิดแล้วละหมาดตระเวนเสือมุนละหมาดตรเวนถ้าข้อวมุจยาฮีดีสุโบนี่นะจบเลยไม่เป็นนิมามแล้วพอมาดูเงื่อนไขของคนที่จะมาบูรณะมัสยิดเนี่ยตกลงว่าทัศนคติถูกต้องนี่นะคนที่จะมาสร้างมัสยิดเนี่ยสร้างสร้างมัสยิดเนี่ยไม่จําเป็นต้อง ไม่จะเป็นต้องเป็นผู้สัตักดิที่ศาสนาอิสลมามส่วนมากแล้วเขาอ้างว่าสร้างกาบ้านเนี่ยตอนที่น้ําท่วมที่มักกะเนี่ยก่อนที่นบีจะเทศนาแล้วก็ชาวมักกะเนี่ตอนนั้นก็เป็นมุชลิกีนนะเขาก็รวมงบแล้วเขาตักเตือนกันนะไม่เอางบจากรายได้ฮารอมมาใส่นะหารละ่างเดียวแต่คนที่สร้างนี่ใครอชาวมักกะซึ่งส่วนมากเป็นมุสลิมี พอน บ, บีมาเทศนาะน บ, บีมาพิชิตมาเกา น, น บ, บีไม่ได้บอกว่าให้หรือหรื อ, รอพวกมุชลิมเขาเป็นคนสร้างหรือไม่ถ้าน บ, บียอมรับเด็กในในโครงสร้างของกาบา ท, ที่ถูกสร้างสมัยน้นนะ่ะนะแสดงว่าการกอร่อสร้างด้วยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยย่อมทำได้อดัสนที่ถูกต้อ ง, งนะแล้วก้างหลักการตรงนี้แสดงว่าอายานีเนี่ยอินเนมัยอมูรุมัสะจีลลลอฮฺแท้จริง ทีะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอ์นั้นนะคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลล์นโลกหมายถึงว่าบูรณะในเชิงนามาทำกิจกรรมด้ศาสนาคนที่จะมาเข้าทาหน้าที่ละมาเนี่ยต้องเป็นว่ากอมาศลัดะละดรดุรุมไวซ่งการละมาว่าทัศและฉะมรซ zakat ولم ي خ ا الله และเขามีได้เยมกรีงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอ้า เฮ้ยนว่าอาย่านี่เนี่ยและ อ, ยอนนายะคนนั้นเนี่ยตอบโต้พวกมุชิริกีนที่บอกว่าเอ้ยมาว่าเราเรื่องสิริกอย่างเดียวทําไมว่าเรามีเรื่องอื่นดีๆก็คือที่เราบูรณะมัศย์ก็เขาหมายถึงว่าบูรณะแนวัตถุและอยายะนี้มาโต้เขานี่ก็แสดงว่าก็แสดงว่าอยายะนี้ก็ต้องหมายถึงว่าวัตถุคนที่บูรณะวัตถุ ก, <c oughs> ก็ถูกต้องแล้วถ้าคนที่จะบูรณะวัตถุแต่จะมาแอบอ้าง แต่จะมาแอบอ้างว่าการบูรณะวัตถุเนี่ยมันจะลบล้างความชั่วอื่นๆนะั่นนะอันนั้นนะ่ะไม่ควรสร้างด้วยแต่สมมุติสมมติว่าคนนี่มาก่อสร้างมัสยิดสมมุติว่าคนนี่มาก่อสร้างมัสยิดไม่ใช่มุสลิมหรืออะเป็นมุสลิมแต่มุสลิมกินเหล้าสมมตินะสร้างเ ส, นะ เ, าเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วอ่ะนะกลางคืนนี่ก็ตัง้งวงเหล้า เราก็บอกว่ายมาว่านะศาสนานี่ยสร้างให้อะไรให้ไอ้ทีแบบนี้แกเฮียสร้างเลยคือถ้าจะเอาเรื่องบูรณมัสยิดด้านวตัตถุนี่มาแอบอ้างจะได้ไม่พูดถึงเรื่องความผิดนะเฮียสร้างเลยอย่าสร้างเลยอยันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระ ม, มัดระวังถ้าจ้างบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมมาสร้างมัสยิดเนี่ยต้องระวังสร้างมัสยิดแล้วก็ ส่วนมากกรรมกรเนี่ยว่าแล้ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีวงกลางคืนเนี่ยต้องมีแหละต้องมีสมตํามีเนี่ยแล้วก็เครื่องดื่มอะไรต่างเนี่ยตอนก่อสร้างไว้เนี่ยตั้งเป็นเงื่อนไขกับผู้รับเหมานี่ขนาดตั้งเป็นเงื่อนไขแล้วก็มาตรวจมาตรวจเวลามีมีคนมาดูแลมาตรวจเนี่ยผมนี่บางทีเนี่ยก็ไปแอบตัวนะบางทีเนี่ก็เจอขวดเบียร์ขวดอะไรก็ต้องเจอละ มันเป็นเรื่องแต่เราก็เราก็ตั้งเงื่อนไขแล้วก็พูดไว้เนี่ยชัดเจนแล้วก็ระบุปไปแล้วละอักษรอันนี้เราทําหน้าที่ไงเราทาหน้าที่สั่งมัสยิดหรืสอสร้างอาคารเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่เราก็ต้องให้เกียวก็คือเราสร้างอะไรทําอะไรเนี่ยเพื่อฟื้นฟูลหลั ก, การศาสนาเนี่ยมันไม่ควรที่จะการให้การก่อสร้างนี่มันบั่นทอนคําสั่งสอนศาสนาที่เราทําโครงการนี้เนี่ยเพื่อคําสั่งสอนมันมมมมมไม่เป็นประโยชน์ ที่เราบอกว่าเ อ, อเรือนจําเนี่ยสําหรับการขัดเกลีอบรมนักโทษที่เขาเคยทําความผิดอ่าคดียานี่ส่วนมากเนี่ยในเรือนจำส่วนมากคดียาปรากฏว่าเรือนจําเนี่ยเป็นตลาดขาอ่ะก็โดนคดียาก็เข้ามาก็ไปขายยาแล้วมีประโยชน์อะไรอาจาร์เจ้านูมีประโยชน์อะไร ถึขนาดที่นักโทษบางคนนาะไม่ไม่ต้อออกแล้วเขาบอกเขาออกปวดหัวอยู่อยู่ข้างในเนี่ยคือได้ทุกอย่างเลงี้ยธุรกิจข้างในนี่อะไรได้ก็ดีขายยาเนี่ยเดือนจำเนี่ยลูกค้าก็มีเจ้าน้ายด้วยอ่และนี่คือสิ่งที่ทําให้พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงมันเรื่องปวดหัวแบบนี้เนี่ยสิ้นเปลืองงบประมาณสั่งเดิอนจาเพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะไอ้พฤติกรรมบางอย่างที่มันผิดกฎหมายนี่แหละเอาแล้วทํายังไงก็อย่าให้มันผิดกฎหมายสิอบอ ก, ก, กว่าเหมือนคนบอกเฮ้ยทําไมทีนี่เนี่ยไอ้ท่อน้ําเสียนี่เรื่องอะไรมันเต็มไปหมดอุ้ยทำไมขี้มันเยอ ะ, ย อ, ะอย่างเนี้ยทํายังไงเนี่ยฆ่าคนไปเลยคนจะได้ไม่ขี้กันอะแล้วไปคิดคิดอะไรที่คิดแยะมากออนีส่สังคมเขา เขาดูดกัญชาเขาดื่มน้ำท่อมเขาเสพยาแล้วก็เรือนจำมันก็สารก็คดีคดียาสุดเต็มไปหมดเลยเรือนจำนี่ก็มีอดียาสุดเต็มไปหมดเลยทำยังไงอ่ะก็ออกกฎหมายว่าพวกนี้นี่ไม่ผิกดกฎหมายออนี่ไปแล้วเนี่ยบดไปแล้วใช่ไหมกระท่อมบดไปแล้วกัญชาบดไปแล้วเนี่ยนี่เหลืออะไรเหลือไอที่มีเยอะบะานเรานี่ ฟินกับเฮโรอีนนี่ไม่มาเยอะหรอกมีแต่ไม่เยอะไม่เยอะคนไทยไม่ชอบที่นิยมมากนี่คือนี่ทอมอัญชาอย่าไอ้อะไรก่ะอย่าบ้าเนี่ยเหลือสองอย่างคอยดูคอยดูแต่าอายุยัง40น่าจะทัน <laughs> <laughs> เพราะคนที่อายุ60เนี่ย ย้อนหลังนี่นะเขาไม่เคยคาดคิดว่าเออในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นคนที่อยู่ในประเทศอาหรับมนะันอะอย่างคนที่อยู่กตาตาร์อุมานบาฮารีนเนี่ยเมื่อห้าสิบปีที่ผ่านไปไม่เคยคิดว่าประเทศเขาเนี่ยจะมีเหล้าขายเหล้าอย่างกตาตาร์เนี่ยเขาบอกว่าห้ามขายเหล้าในสนามแล้วก็นอกสนาม ใช่ไหมแต่สนามบินมีที่อื่นเฉพาะคือคนเขาเข้าใจผิดนีคือเขาฟังข่าวเขาฟังข่าวแล้วก็ไม่รู้บริบทเขามปเาเล็กกตตานี่ยขายเหล้าได้นะสายการบินกาตาเนี่ยฝรั่งที่ชอบขึ้นสายการบินกาตาเนี่ยเพราะเล่านี่นะตลอดเส้นทางไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่านะเรื่องเห็นก็ต้นมันก็เรื่องเล่าว่แหละแต่มันไม่ใช่เรื่องคนมาเล่ า, าให้ผมฟังนะ เห็นกะตาสายกันบินกะตานี่สายการินกะตาก็ถือแผ่นแผ่นดินกะตา้าไงไอที่บอกว่าไอปกะตานี่เาห้ามห้ามเสิรเหล้ากินเหล้าขายแล้วไม่จริงไม่ใช่แต่เขาเนี่ยมีกติกาซึ้งกติกาเนี่ยสำหรับปฏิกิรอื่นนี่มันก็นดูแปลกอะไรวะห้ามตรงโน้นห้ามตรงนี้ก็ธรรมาดาโรงเรียนเนี่ยห้ามกินเหล้ามาบ้านห้ามกินเหล้ามา ห้ามกินเหล้าห้ามสิ่งเสพติดอะไรที่อะไรที่มันถูกกฎหมายไะกัญชาต้อถูกกฎหมายแต่กัญชาในโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ใมแต่สําหรับบ้านเราอะะอขวดเหล้าอย่างเงี้ยขวดเหล้าเข้าโรงเรียนได้ไหมอ่ะเข้าเข้าได้เข้าได้ขวดเหล้าเบียร์เนี่ยมันถือเข้าโรงเรียนได้ไหมถือเข้าได้ก็ได้ก็เหมือนกันคือบางพื้นที ick, so oriented, igail, ่นี่นะบางพื้นที่เนี่ยห้ามกินเหล้ากติกาบ้านเราในโรงเรียน่ะห้ามกินเหล้า อันนี้ก็กติก า, าสนามบอลนนห้ามกินเหล้านอกสนามเนี่ยร้านอาหารทั่วไปนห้ามกินเหล้าแต่มีขายเหล้าไหมมีธุรกิจ้าเหล้าไหมนี่ก็มีฉะนั้นคือถ้าเราไปดีใจภูมิใจอะไรเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดนะแล้วก็จะนึกว่าโอ้กัต้านี่ก็เป็นนั่นนะไม่ใช่ผมก็พูดมาตลอดนะวอะไรถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดมันไม่มีใครมาซูมร มีคนโอ้โหนี่สุดยอดเลยกตาต่ายินอยักไม่ไม่ขึ oh ้นมีหลายเรื่องเนี่ยผมไม่อยากไม่อยากพูดเดี๋ยว เ, เ, เราจะคือประเทศกตาต้าอิมารตซาดนะีประเทศไหนกันนะเทียบแล้วกับกับเมืองไทยอ่นะนมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่ในเมืองไทยนี่มีนะ่นะประเทศอาหรับมีหมดโซเพเนียโซเฟเนียทุกทุก ทุกเรื่องนะโสเพนีเลา่ามีทุกอย่างมาไกลยังมีเลยมันอยู่ที่แค่ว่าเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยแค่นั้นแหละเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยฮค่ันะ ม, มันยังทํางานอีกหนักนะในบางคนคิดดูโอกตาต้าหนูสุดยอดนอะคนกาตาเได้ใช้จ่ายในสิบปีที่ผ่นจะได้เตรียมตัวสิบสองปีเตรียมลองคิดดูสิประเทศเขาเตรียมตัวจะได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกในสิบสองปีนะ เตรียมตัวสองปีเนี่ยใช้งบประมาณสองแสนสองมืนล้านดอลลาร์แล้วก็แค่เอาคนมาเปิดพธิธีอ่านกุรอ่านเชิญแซกิดไนก์มามาอบรมคนเผยแพร่อิสลามแล้วก็แล้วก็มีเขียนฮะดีสตามสถานที่ต่างๆโอ้กาตานี้กลายเป็นค ah ิลฟาฟ้าไปแล้วให้กาตานี่เอาสองแสนสองมืนล้านดอลลาร์นี่มาใช้ใจ่ายในดาว่านี่ ผมว่าโลกนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยอ่ะพันล้านเนี่ยสร้างภาพพยนตร์ระดับโลกกันนะสักสักหมื่ล้านอย่างเงี้ยภาพยนร์ระดับโลกกันนะผมว่าน่าจะน่าจะสะเทือนมากกว่าบโลกลองนี่ทาภาพยนต์สักหมื่ล้านนี่นะแค่แค่ออกมามุขตันนี่สะเทือนมะหนังนั้นหนังแค่หนังพูดถึงเรื่องมุสลิมคนหนึ่งแต่สะเทือนสะเทือนแล้วกว็แล้วกว็เปลี่ยนแปลงแม้กต่ตั้งมุสลิมเองอ่ะ คือช่วงนั้นน่ะมุสลิมเริ่มใจนั่นละเริ่มลืมแล้วก็มมจีลืมแต่มีหลายคนนี่เขาบอกว่าถูกจับของกอยด้าของพวกที่ถูกจับไนะเาบกวาจุดเริ่มต้นนะอยพวจุดเริ่มต้นี่ขอกวดูนองมรมุกตาร์นักมุจ i เพตอนนั้นน่ะคือเยาวชนเนี่ยไม่ไม่มีอะไรละดูหนัง่าดูหนังออมรุมุกตาร์เนี่นะเป็นนักมุจดีนเขลยรู้สึกตื่นตัว สองแสนสองมื่นล้านนั่นล่ะเครื่องคิดเลขบางเครื่องิดเลขนี่มันพิมพ์ไม่ได้อะกดไม่ได้อ่ะมันไม่มีอะมันมันมันเยอะเออเรื่อสองแสนสองมื่นล้านดอลล่าร์สิบสองปีเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งประมาณหมื่นกว่ 10, าลนะปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะแต่สองแสนสองมื่นนี่ยก็ก็ประมาณทีนแล้วประมาณ ปรมากี่กี่ล้านล้านบาทาคือแสนล้านเนี่ยแสนล้านเนี่ยก็ก็แสนล้านเนี่ยก็นนย ก, ก็คือสาสามล้านสามล้านล้านบาทแล้วนะคือเท่ากับงบ ป, ประมาณแผ่นดินเมืองไทยเนี่ยเกือบสามปีงบ ป, ประมาณแผ่นดินไทยนี่ยสมปีจะได้เตรียมบนโลกหนึ่งเดือนจะได้เอาบนมาตีกันงั้นไขของคุทีจะบูรณะมสัสยิดเนี่ย ศรัทธาต่ออัลลอฮนวรโลกอาข้ามัสสลัดและอาตัดสกาดั้นมรุ่งสิงห์กล่วมาเล่าะักดัคนนี้คนคนที่จะมาบูรณะมัสยิดทํากิจกรรมมัสยิดนี่ตรงอักกันนี้กันนี้เป็นการบูรณะใช่แต่บูรณะโดยไม่ได้ใช้มัสยิดนี่มันก็มีอคนที่ศรัทธาต่ออัลลอนวันพุรโลกละมาสักดัและไม่ได้เข้ามัสยิดเลยมีซึ่งจะเป็นความบกพร่องของผู้ศรัทธาคนคนนั้น คนที่เขาจะมาบุญอะรต้องเป็นคนที่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยเขาจะได้มีอย่าง น, อน้อยนี่มีคุณสมบัติพื้นฐานนะนสิ่งเหล่านี้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่เคยปรากฏในปรไซเซอร์ทั้งหมดสตารตอัลละห์อันวโรโลกดัมบรุงซึ่งกันละมาดชัมราสการ ล, ละก็ละมิอัลลอฮ์ละมิอัลลอฮนี่ไม่มีเงื่อนไนอกจากอัลลอฮ์นี่นะเป็นแบบนี้เนี่นะแล้วไม่เข้ามาสิทิ์เลยเขาบอกว่าไม่เคยปรากฏ เป็ไม่ได้คนี่ละมาสกาดไม่ยึมเรงนะุลอนนี่คือมัสยิดนีต้องต้องเป็นจุดมุ่งหมายของเขาอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่มีมัสยิดไม่มีมัสยิดที่เขาจะจะไปบ่อยเนี่ยแต่ท่านก็ต้องคิดถึงฮะบทหนึ่งบรทึกโดยอิหมามติรมซีแต่ละมาฮารบังท่าบกว่าเป็นฮาริสโดยและบีบอกว่าัรายทุมุรจุลัยอาตัดุลมัสยิดะฟาชัดุลละหุบิลิมานคายเน ได้สัญจรไปมัสยิดบ่อยๆเนี่ยเดินไปมัสยิดบ่อยๆเนี่ยจงเป็นสกีพยานี่เขานี่ว่าเขาเนีเน่เป็นผู้ศรัทธาแสดงว่าการที่จะมา บ, บูรณะมัสยิดด้วยกิจการศาสนาเนี่ยมันมันถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งถึงความศรัทธาและอิสลามและการศาสนาอิสลามนี่ยอมให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องโอ้อวด ปกติแล้วเรื่องละหมาดเนี่ยไม่อันนีาตให้มีอ้วกโอ้อวดแต่การมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันเสี่ยงไหมล่ะเสี่ยงดีก็มานี่ยก็จะได้คนนู้นเยอมที่จะให้มีความเสี่ยงเรื่องนี้เนี่ยเพราะการละหมาดจะมากกว่าดีการละหมาดอุมากกวดีมันมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ในการสร้างความหนักแน่นในสังคมซึ่งประโยชน์เนี่ยมันมากกว่าความเสียหายของเรื่องอ้วกของคนบางคน แต่แไม่ใช่ฟัดูแล้ววะนะศาสนาสงสัยไม่ละมาที่ไหนที่บ้านแต่ฟัดตูละมาที่มัสรรยิดมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงก็ได้เว้ยแหะแต่มันคุม้มคนบางคนเนี่อวดอาจจะอวดก็จริงแต่ส่วนมากเนี่คงไม่คุ้มสําหรับสังคมทั้งหมดเนี่ยที่จะมีภาพของคนที่มาบุรณะมัสรรยิดสร้างชีวิตชีวาในมัสรรยิดนี่คุม้มมัสรรยิดจะมีศูนย์กลางจะมีจะมีอัตลักษณ์ความเข้มแข็ง เป็นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่ามัสรรยิดที่ไหนเนี่ยละหมาดอย่างเดียวนะมัสรริไม่ทำมาเลยละหมาดอย่างเดียวนะคนละหมาดน้อยละหมาดน้อยชุมชนในบางทีเนี่ยร้อยสองร้อยหลังคาเรือค น, ค น, คนคนละหมาดสิบคนห้าคนขุดบ้ามันมัสรรยิดนี่งอ่านฉนดอ่ะมีเข้อเต็มคนหนึ่งอ่านอ่านหนังสือ เขาแปลมาจากแล้วขอดุอาให้แกสุลต่านอัลมูซัฟฟ์ร์นู่นมันหนังสือแปลมันาเจ็ดร้อยปีแล้วนเ่ยนะสมัยสุลต่านนูนะ่นน่ะเขาก็แปลมานี่ก็มีก็อ่านะอาุทิศแกสุลต่านอัลมูซัฟฟรคือไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องร่วมสมัยเลยแน่นอนแต่เมสิทธตที่ไหนเนี่ยมีบรรยายมีนักสืบหัดมีการตักเตือนซึ่งกันและกันน่ะนะสังเกต มาศีที่ไห น, นี่มีบรรยายมีพี่น้องดาวะบรรัญญาต้องบัญญาตลอดนะไม่ใช่มบรราบัญญาแค่สามวันแล้วก็ไปนะอันนี้เนี่ยอันนี้บัญญาคึกคักนะครับจริงจกก็มาเยอะพอเวลาคนเข้ามาดาวะเนี่ยก็ยุงก็เยอะจริงจกก็มาเยอะแต่พอพี่น้องดาวะเนี่มาออกสามวันเนี่ยก็ไปแล้ว่นะะก็ไม่มีคนอีกแล้วมบรราบัญญาแค่สามคนไม่แต่ถ้ามีมาศีมสาิี อาจารย์เซ่งนั่นในมีใบยานตลอดเลยนะไม่ใช่เพราะที่นุ่นพี่ต้องด้ว่าเยอะไงเขามีใบยานตลอดพี่ต้องไปดูดิมัสิดสุโบทุกวันเหมือนวันศุกร์เลยเอออาจารย์เซ่งไงนุ่นทุ่งโคละหมาดสุโบนี่เหมือนละหมาดวันศุกร์เลยหลายมัสิดนั่นนะมีมีที่ทางดัสามจังหวัดนี่ก็มีเยอะเหมือนกันเนี่ยมัสิดที่ไหนนี่ยเขามีใบยันตลอดมีอะไรก็มีคนละหมาดเยอะบางที่นี่มีมัสิดนี่ผมสังเกตนะมัสิดใกล้ตลาดเน่ยตลาดจะน่าจะมีคนเยอะนะ แต่ว่ากวดวัน้อยเพราะอะไรเพราะเ่ามมีการตักเตือนไม่มีการไม่มีการเตือนอย่างนี้เรื่องนี้มันมีหลายเรื่องที่ต้องต้องคุยกันนะนะยกยอดไปยังสัปดาห์หน้านะครับเพราะยังมีพูดถึงเรื่องเรื่องบุญรณมมิษเหมือนกันนะครับผมฝากไว้กับพี่น้องเพียงตรงนี้นะครับสซัลลอฮฺุ์ุุุ ต้นต้นเดือนกันวาเนี่ยจจะมีการงดหนึ่งสัปดาห์นะแสดงจะเดินทางไปไปตรุรกีก็ก็จะงดหนึ่งสัปดาห์อันนี้บอกลงหน้าไว้ก่อนนะเพายังมีอีกครั้งหนึ่งอีกน่าจะครั้งสองครั้งนี่ขอ ง, ของเดือนมิกาุา ถ้านะตนธนวัฒน์ยังไม่แน่เราอดูอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าเราจะช่วยอีกทีหนะึ่ที่น้องมีคำถามไหมไมีนะครับ